ต่อไปนี้ก็จะพูดธรรมะพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นปัญญาแสงสว่างนำทางให้ผู้ปฏิบัติได้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายการที่พวกเรายังตกอยู่ ในความทุกข์ต่างๆก็เพราะว่าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรมขาดปัญญาที่จะทําให้เราเห็นความทุกข์ว่าให้เราเห็นว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นความสุขเหมือนกับเวลาที่เราอยู่ในที่มืดไม่มีไฟเราจะไม่รู้ว่า ข้างหน้าเราข้างหลังเราหรือข้างๆเรามีอะไรบ้างมีคุณหรือมีโทษกับเราเราจะไม่รู้เวลาที่เราอยู่ในที่มืดเราจึงต้องมีแสงสว่างเช่นไฟฉายถ้าเราจะเดินไปไหนมาไหนเราต้องใช้ไฟดูก่อนว่า ทางข้างหน้าที่เราจะเดินไปนั้นมีอะไรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราหรือไม่ถ้าเราไม่มีแสงไฟเราจะไม่กล้าเดินไปไหนแต่ใจของพวกเราที่ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมกับไม่กลัวกัน าที่จะไปทำอะไรต่างๆโดยไม่มีแสงสว่างนำทางพอทำไปแล้วก็เกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ใจตามมาแต่เราก็ไม่มีทางเลือกเพราะเราไม่มีแสงสว่าง และเรายัางต้องการที่จะหาความสุขอยู่เราจึงยอมเสี่ยงกับการหาความสุขในการหาความสุขยอมเสี่ยงกับภัยต่างๆแล้วเราก็มักจะได้รับภัยต่างๆคือได้รับความทุกข์กันอย่างทั่วหน้า ไม่มีใครในสถานที่นี้ที่จะบอกว่าไม่มีความทุกข์เลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไปไหนมาไหนในที่มืดไม่มีแสงสว่างแล้วเราก็ไปเจอกับปัญหาไปเจอกับความทุกข์ต่างๆ ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ว่ามีอะไรที่เป็นภัยเป็นอันตรายกับเรามีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราก็เหมือนกับมีแสงสว่างที่ทําให้เราเห็นว่า ทางที่เราเดินไปนี้มีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มีอะไรที่เป็นโทษเป็นภัยกับเราพอเรารู้แล้วเราก็จะได้หลีกเลี่ยงภัยต่างๆเราก็จะเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา ธรรมะก็สอนให้เรารู้ว่าอะไรเป็นภัยกับเรารู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราให้เราถอนออกจากสิ่งที่เป็นภัยกับเราแล้วให้เราเข้าหาสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา สิ่งที่เป็นภัยกับเราที่ให้ความทุกข์กับเราก็สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจของเรานี้เองไม่ว่าจะเป็นร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นของนอกกายเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะ ของต่างๆเหล่านี้ร้อนเป็นไผ่ต่อใจเป็นเหมือนกับาทานไฟแดงถ้าเราเอามือไปจับมันมันก็จะไหม้มือเราเพราะมันเป็นของร้อนแต่พวกเราไม่มีใครบอกพวกเราจึง เดินเข้าหาของร้อนของที่เป็นภัยต่อใจของเราแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราเดินเข้าหาสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่เราอยากได้เช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกยิ่นลสปดตภปาเรา เดินกาหาสิ่งเหล่านี้กันแล้วเราก็ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้เขาไม่แน่นอนเขามาแล้วเขาก็ไปได้เวลาเขามาเราก็ดี อ, อกดีใจ เวลาได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายเราก็ดี อ, อกดีใจแต่เราไม่รู้ว่าเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปได้จากเราไปได้หรือเราต้องจากเขาไปเวลาที่เขาจากเราไปหรือเวลาที่เราจากเขาไป เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ทำให้เรามีความทุกข์ใจกันอันนี้คือสิ่งที่พระพเจ้าทรงสอนให้พวกเราถอนออกอย่าเข้าหาให้ถอยเพราะว่าเป็นเหมือนไฟที่จะเผาหัวใจของเราให้ทุกทรมานนั่นเองให้เราถอนออกจาก การหาลาบยศสารเสนการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ให้เราเข้ามาข้างในใจให้มาหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจของเราให้เราไม่ต้องไปเพิ่งสิ่งต่างๆ ให้มาให้ความสุขกับเราใจของเรานี้สามารถที่จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสปวดทภพะชนิดต่างๆไม่ต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจเพราะว่า สิ่งต่างๆและเครื่องมือคือร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรไม่แน่นอนเวลาบางเวลาก็ดีก็หาสิ่งต่างๆ ต, ตามที่อยากได้บางเวลาก็ไม่ดีเช่นร่างกายบางเวลาก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่สามารถทำหน้าที่หาสิ่งต่างๆ มาให้ความสุขกับใจได้เวลาที่ไม่สามารถหาความสุขให้กับใจได้เวลานั้นก็เป็นเวลาที่ทําให้ใจมีแต่ความทุกข์นี่ก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรา และการหาความสุขต่างๆนอกภายนอกของใจให้หาความสุขที่มีอยู่ภายในใจคือความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องยุติการหาความสุขภายนอกใจถ้ายังหาความสุขภายนอกใจอยู่ใจจะไม่มีวันสงบได้ เข้าใจต้องทำงานต้องคอยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหามาได้แล้วเดี๋ยวเขาก็หมดไปก็ต้องคอยหามาเพิ่มหามาเติมอยู่เรื่อยเวลาหาได้ก็ดีอกดีใจมีความสุขใจเวลาหาไม่ได้ก็เสียอกเสียใจทุกใจนี่คือความทุกข์ที่พวกเรา เดินเข้าหากันอย่างไม่รู้สึกตัวเพราะถูกความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นความสุขนั่นเองเวลาเกิดความทุกข์ก็ไม่ได้ไปโทษสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเรามีแต่พยายามที่จะหามาใหม่ถ้าได้อะไรมาแล้วเวลาสูญเสียไป ก็เสีย อ, อกเสียใจแต่ไม่โทษว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเป็นเหตุที่ทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจกลับไปหามาใหม่อีกพอเสียสิ่งนี้ไปก็ไปหาสิ่งอื่นมาทดแทนพอหามาได้ก็เหมือนเดิมอีกหามาแล้วเดี๋ยวเขาก็เสียไปอีกจากเราไปอีกก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัตภะในรูปแบบต่างๆเช่นบุคคลข้าวของต่างๆก็ถือว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัตภ์เหมือนกันเราหามาแล้วพอมันหมดไปเราก็ต้องหามาใหม่หามาได้มากหามาได้น้อย ก็ไม่เคยเกิดคำว่าพอมีแต่อยากจะได้อยู่เรื่อยๆแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะได้มาอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือที่จะหาสิ่งต่างๆมามันจะไม่สามารถหามาได้เรื่อยๆไปตลอด ร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปตามลำดับจะต้องเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นตามลาดับแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆที่อยากจะได้ก็จะเกิดความทุกข์ใจส่วนสิ่งที่เราได้มาก็มีอันเป็นไป ได้มาแล้วก็หมดไปได้มาใช้ไปก็หมดไปพอหมดไปก็ต้องไปหามาใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มีวันถึงจุดอิ่มจุดพอได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความอิ่มความพอแก่ใจของเราได้นั่นเองมีแต่จะ เพิ่มความหิวความอยากความต้องการให้มีไปเรื่อยๆให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดนี่แหละคือโทษหรือภัยของใจก็คือการหาความสุขภายนอกใจนั่นเองเราจึงต้อง ยุติการหาความสุขเหล่านี้แล้วเข้าหาความสุขที่มีอยู่ภายในใจของเราเราต้องดึงใจของเราให้กลับเข้ามาข้างในให้ได้ถ้าเราดึงกลับเข้ามาได้เราเข้ามาข้างในใจได้เราก็จะได้พบกับความสุขที่มีจุดอิ่มตัว จะมีความสุขที่มีคำว่าพอจะไม่อยากได้อะไรอีกต่อไปถ้าได้ความสุขภายในใจนี้แล้วจะไม่ต้องการอะไรอีกต่อไปแล้วความสุขที่ได้อยู่ภายในใจนี้ก็จะอยู่ติดไปกับใจไปตลอดใจก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นไม่มีวันสูญ ใจก็จะอยู่ไปตลอดความสุขที่อยู่กับใจก็จะอยู่คู่ไปกับใจไปตลอดอันนี้แหละคือคุณประโยชน์ของใจอยู่ภายในใจส่วนของภายนอกใจนี้ล้วนเป็นโทษกับใจทั้งหมดพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้พวกเราปล่อยวางหรือ ตัดความผูกพันตัดความชอบความอยากได้สิ่งต่างๆภายนอกใจไปให้หมดให้ตัดการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายให้ตัดการหาร่างกายเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆ เพราะความสุขที่ได้นี้มันมันมีความทุกข์แถมมาด้วยและเป็นความทุกข์ที่มากกว่าความสุขที่เราได้มาคือได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองความสุขที่ได้นี้เพียงเล็กน้อยแต่ความทุกข์ที่ได้ตามมานี้มันสหัสสากันหลายร้อยหลายพันเท่าของความสุขที่ เราได้รับกันเราจึงต้องเสียสละจาระแบ่งปันของต่างๆแบ่งปันลาบยศสรรเสริญแบ่งปันรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะย่าไปใช้สิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับเราถ้าจะมีก็มีไว้เพียงแต่ดูแลรักษา ร่างกายให้อยู่ไปอย่างปกติสุขคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ตายไปก่อนวัยอันควรเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาพาใจให้เข้าสู่ความสุขภายในใจอย่างที่นักบวชทั้งหลายได้ทำกัน นักบวชก็คือผู้ที่สละความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจบูกลิ้งกายแล้วก็เอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขภายในใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญารักษาศีลเพื่อที่จะได้กันไม่ให้ใจ ออกไปสร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นเองถ้าใจไปค่าไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปเสพสุรายาเมาใจก็จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจดังนั้นจึงต้องมีศีลไว้เป็นกำแพงคอยกัน้นไม่ให้ใจ ออกไปสร้างความทุกข์ให้กับใจมีทานมีจาคะมีการเสียสละใช้ทานใช้จาคะใช้การเสียสละในการยุติการไปหาความทุกข์จากการไปหาสิ่งต่างๆภายนอกใจภายนอกร่างกายก็คือราบยุศสรรเสริญ รูปเสียงกลินรสพลตภะชนิดต่างๆนี้เองนี่คือสิ่งที่จะจําำเป็นจะต้องทำในเบื้องต้นคือสละความสุขทางตาหูจมูกล่้นกายทางลาบยศสารเสริญแล้วก็รักษาศีลสร้างกำแพงกันไม่ให้ใจออกไปสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความาวามุ่นวายใจให้กับใจ แล้วก็ต้องใช้สติที่เป็นเหมือนเชือกให้ดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ปกติใจจะไม่เข้าข้างในโดยอัตโนมัติโดยคําสั่งของเราเราสั่งบอกว่าให้สงบให้นิ่งให้อยู่เฉยๆนี้เราสั่งเขาไม่ได้เพราะเขามีเจ้านายเก่าเจ้านายเก่าก็คือ กิเลสตัณหานี้เองที่จะคอยสั่งให้ใจออกไปหาสิ่งต่างๆภายนอกสั่งให้ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะออกไปหาลาบยศสรรเสริญเราต้องใช้สติดึงใจให้เข้ามาข้างในด้วยการเจริญ สติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ที่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเพราะว่าเวลาใดที่เราไม่เจริญสติก็เป็นเหมือนเวลาที่เชือกมันขาดพอเชือกขาดใจที่เราคอยดึงให้เข้าข้างในมันก็จะออกไปข้างหน้าเพราะยังมีกำลังของกิเลสตัณหา คอยดันให้ออกไปข้างนอกอยู่การเจริญสติจึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากเพราะเป็นเหมือนกับการชักกรยืการชักเกรยืนี้จะต้องใช้กําลังมากถึงจะชนะฝ่ายตรงกันข้ามได้ถ้าเราไม่มีกําลังมากพอเราก็จะไม่สามารถดึง ให้เขามาตามทางของเราได้เราก็มักจะถูกเขาดึงไปตามทางของเขาเสียมากกว่าเวลาจเจริญสติดึงจะรู้สึกว่ามีความตึงเครียดมีความอึดอัดไม่เหมือนกับการทำตามใจชอบตามทำตามความอยากทำตามความโลภอันนี้จะไปไหลอย่างไปสบายถ้าเรา ปล่อยให้ใจเราทําตามความโลภทําตามความอยากก็เหมือนกับเราไม่ดึงฝ่ายตรงกันข้ามเราไม่สู้เขาเราปล่อยให้เขาลากเราไปนั่นเองแต่เวลาที่เราจะรันสตินี่ก็เหมือนกับเวลาที่เราเราต่อสู้กับเขาเราดึงเขาไว้เราไม่ให้เขาดึงเราไปนี่คืองานเบื้องต้นที่เราจะต้องฝึก ต้องเจริญให้ได้ก็คือการเจริญสติดึงใจของเราให้เข้าข้างในอย่าปล่อยให้ใจถูกกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆดึงออกไปสู่ภายนอกวิธีเจริญสติก็จะใช้คำบริกรรมก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้ หรือจะทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ข้อสำคัญก็อย่าให้ใจมีโอกาสที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสผทตภะเพราะถ้าคิดแล้วก็จะถูกกิเลสตัณหาดึงไป หน่งไปให้ไปหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ข้างในได้แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ความอยากความโลภ ก, กับเรื่องราวต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาใจก็จะอยู่ข้างในได้อันนี้คือการปฏิบัติในเบื้องต้น คือเราต้องเจริญสติที่เป็นเหมือนเชือกที่จะคอยดึงจิตของเราให้เข้าข้างในไม่ให้กิเลสดึงออกไปห า, าะลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผทตภะราถ้าเราเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วเราก็จะสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ข้างในได้ ให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าเราเจริญสติตลอดเวลาใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับร่างกายตลอดเวลาเวลานั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิก็จะเป็นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว พอใจเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่มีที่ให้ความอิ่มให้ความพอจะทําให้ไม่อยากได้อะไรจะทําให้ไม่อยากออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑ์ไม่อยากจะไปหาลาบยศสรรเสริญอันนี้คือจุดหมาย เป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อเดิงใจให้เข้าสู่ข้างในให้เข้าสู่ความสงบให้เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะอยู่กับคู่ไปกับใจไปตลอด <c oughs> เพียงแต่ในเบื้องต้นนี้ยังไม่สามารถที่จะให้ใจ อยู่กับความสงบนี้ได้อย่างถาวรเพราะกำลังของสติยังมีไม่มากพอจิตเข้าไปอยู่ในความสงบได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาถอนออกมาสู่ภายนอกมาสู่ร่างกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะถ้าอยากจะรักษาความสุขความสงบที่ได้จาก การอยู่ในสมาธินี้ก็จำเป็นจะต้องใช้ธรรมะ อ, อีกส่วนหนึ่งอีกขั้นหนึ่งคือปัญญาปัญญาก็จะเป็นผู้ที่จะสอนใจชี้ใจให้เห็นถึงเวลาเกิดความอยากขึ้นมาปัญญาจะชี้บอกว่าเวลาเกิดความอยากความสงบหรือความสุข ที่ได้จากความสงบนี้จะถูกทําลายไปถ้าอยากจะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจไม่ให้ไปทําตามความอยากต่างๆถ้าใจเห็นโทษของความอยากใจก็จะ หยุดความอยากไม่ทำตามความอยากได้ถ้าใจเห็นว่าการทำตามความอยากไม่ได้นำไปสู่ความอิ่มความพอแต่นำไปสู่ความหิวความอยากเพราะว่าสิ่งที่อยากได้ก็เป็นสิ่งที่มีการเจริญมีการเสื่อมเวลาเสื่อมก็ต้องหามาใหม่ แล้วเวลาได้มาก็ไม่พออยู่ดีได้มาแล้วก็ต้องหามาให้ได้มากกว่าเดิมอีกก็จะทำให้ต้องไปหาอยู่เรื่อยๆการไปหาอะไรอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ใจไม่สงบใจไม่มีความสุขนี่คือหน้าที่ของปัญญาที่จะคอยสอนใจ หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วว่าอย่าไปอยากได้ลาบยศสารเสริญอย่าไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะเพราะเป็นการไปหาความทุกข์ไม่ใช่ไปหาความสุขเพราะว่าลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่ถาวร เป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นของที่ไม่มีใครที่จะไปห้ามไม่ให้เสื่อมได้ถ้าเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาก็จะสามารถระ ง, งับความอยากต่างๆได้พอระ ง, งับความอยากต่างๆได้ใจก็จะกลับเข้าสู่ความสงบ เหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิสามารถที่จะอยู่ภายนอกสมาธิทําอะไรไปดูอะไรไปฟังอะไรไปได้อย่างมีความสงบอย่างมีความสุขเพราะไม่มีความอยากได้อะไรจากการจัดเวลาที่ได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆ เห็นอะไรก็จะเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายได้ยินอะไรก็จะเฉยเฉยไม่ยินดียินร้ายเพราะรู้ว่าการยินดียินร้ายนี้เป็นโทษกับใจเป็นภัยกับใจเวลายินเวลายินดีก็จะทำให้ใจกระเพื่อมการกระเพื่อมของใจนี้ก็เป็นความทุกข์เวลายินร้ายก็เกิดความกระเพื่อมทางใจใจไม่สงบ พอเวลาใจไม่สงบรับก็ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็กลับมาแทนที่ทันทีดังนั้นผู้ที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วจะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้เป็นเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวที่จะไม่ ดูดเข้าหากันจะเก้งน้ำน้ำจะเก้งไปเก้งมาบนใบบัวฉันใดใจกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพะกับเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่ดูดเข้าหากันต่างฝ่ายต่างอยู่ใจเป็นผู้รู้ก็รู้ไปเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นก็ปล่อยให้เขาปรากฏขึ้นไป แต่ใจจะไม่ไปยินดียินร้ายดีอกดีใจหรือเสียอกเสียใจอย่างเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอย่างนี้เป็นต้นถ้าใจมีสติสมาธิมีปัญญาแล้วจะเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆจะไม่ไปดีใจไปเสียใจจะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ เพราะว่าถ้าไปมีอะไรกับสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาไปดีใจก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งไปเสียใจก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงภายในใจแล้วเข้าถึงความสงบแล้วจะเห็นโทษของความยินดียินร้ายจะเห็นคุณของอุเบกขา คือความนิ่งเฉยปล่อยวางแต่ไม่ได้นิ่งเฉยปล่อยวางแบบไม่มีเหตุมีผลการนิ่งเฉยปล่อยวางนี้เป็นเรื่องของการไม่มีอารมณ์ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆที่ใจไปสัมผัสรับรู้แต่ยังมีมีปัญญาที่จะใช้ ในการวิเคราะห์พิจารณาว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรถ้ายังทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ทำแล้วไม่เกิดโทษกับใครอย่างนี้ก็จะทำแต่ถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรทำแล้วมีแต่เกิดโทษอย่างนี้ก็ไม่ทำอันนี้คือลักษณะของอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาแบบว่าไม่ทำอะไรเลย เสื้อผ้าก็ไม่ซักมันสกรปรกมันเหม็นก็ใส่มันไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าอุบเบกขาอย่างนี้เรียกว่าความเกียจคร้านความขี้เกียจคนที่มีอุบเบกขานี้มีปัญญาด้วยรู้ว่าอะไรควรจะทําอะไรไม่ควรจะทําไม่ใช่ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นไปแบบส เ, สเปสปะย่งไม่ใช่คนที่มีอุเบกานี้มีระเบียบ ม, มีความเรียบร้อยทำอะไรทุกอย่างจะทุกอย่างจะเรียบร้อยจะอยู่ในกฎในระเบียบยกเว้นว่าไม่สามารถที่จะทําได้เท่านั้นแต่ถ้าสามารถทําได้ก็จะทํา อะไรก็ตามที่ทำนะดีเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็จะทำต่อไปแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ทำก็จะไม่ทุกข์นี่คือลักษณะของใจที่มีความสุขภายในตัวมีอุเบกขารับได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเจริญของลาบยศสรรเส ร, ริญของรูปเสียงกลิรรรร่นรสผลธพะ หรือการเสื่อมของสิ่งต่างๆของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะใจนี้จะเท่าเดิมเพราะใจไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งต่างๆนั่นเองต่อให้ได้มาร้อยล้านพันล้านมันก็เหมือนกับไม่ได้ไดมาต่อให้สูญเสียไปร้อยล้านพันล้านก็เหมือนกับไม่ได้สูญเสียอะไรไปเพราะว่า เงินทองร้อยล้านพันล้านมันก็ไม่ได้อยู่ในใจมันอยู่ข้างนอกมันอยู่ที่กระดาษมันเป็นตัวเลขหรือมันเป็นวัตถุถ้าไปซื้อเป็นทองมันก็เป็นวัตถุซื้อเป็นเพชรมันก็เป็นวัตถุมันไม่ได้เป็นใจมันจะมีมากมีน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้ใจใหญ่ขึ้นไม่ทำให้ใจเล็กลงใจก็เท่าเดิม สิ่งที่จะทําให้ใจสุขขึ้นหรือทุกข์ขึ้นก็คือความโลภหรือไม่โลภความอยากหรือไม่อยากต่างหากถ้าโลภถ้าอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้ามันไม่โลภมันไม่อยากมันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยตัวที่สําคัญที่มีผลกระทบกระเทือนกับใจก็คือความโลภความอยากต่างๆนี่เอง ถ้ามีแล้วก็จะกระทบกับความสุขของใจจะลบล้างความสุขของใจจะลบล้างอุเบกขาออกไปจะทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาถ้าลบล้างความโลภความอยากต่างๆออกไปจากใจได้ใจก็จะได้ความสงบได้ความสุขกลับคืนมาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ ใจต้องคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาระมัดระวังตลอดเวลาก็คือตัวกิเลสตัณหานี้ท่านเองส่วนเรื่องทรัพสมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสลรเส ร, ริมรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพบุคคลนั้นบุคคล น, นี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปสนใจมันไม่มีผลอะไรกับใจมันจะเจริญหรือมันจะเสื่อมมันไม่ได้ทําให้ใจสุขหรือทุกข์ สิ่งที่จะทำให้ใจสุขหรือทุกข์ก็คือความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่างหากถ้าไม่มีความสุขไม่มีความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจ ะ, จะเจริญจะเสื่อมจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือจะมีน้อยลงไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการปฏิบัติจึงพุ่งไปที่การควบคุมกาจัด ความโลภความอยากต่างๆถ้ายังมีอยู่ภายในใจก็ต้องกําจัดมันให้ได้เพราะว่าถ้ายังปล่อยให้มีอยู่ภายในใจอยู่ก็ยังจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอยู่การปฏิบัติเองต้องคอยกําจัดความโลภความอยากต่างๆ และเครื่องม้เครื <pl ains> ่องมือที่จะใช้ในการกําจัดความโลภความอยากต่างๆก็มีสติสมาธิปัญญาอันนี้เป็นเครื่องม้เครื่องมือขั้นอ่ขั้นสูงสุดถ้ายังไม่เข้าถึงขั้นสติสมาธิปัญญาก็ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องมือไว้ต่อต้านความโลภความอยากไปก่อนถ้าเข้าไม่ถึงขั้นของศีลก็ต้องใช้เข้า ต้องใช้ทานการแบ่งปันใช้จาคะการเสียสละมาคอยต้านกำลังของความโลภความอยากไม่ให้มันจารานโตมากจนเกินไปเช่นกำหนดไว้เลยว่าจะต้องการมีทรัพย์ไว้เพียงเท่าไหร่ถ้ามีมากกว่านี้ก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น กำหนดว่าชีวิตเราต้องมีทรัพย์ไว้ดูแลไว้ทักเท่าไหร่พอเรากําหนดแล้วแล้วถ้าเราได้ทรัพย์มามากไปกว่าที่เราจาเป็นจะต้องมีเอาเก็บไว้เราก็จะไม่เอาเก็บไว้อย่างนี้ก็จะต้านความต้านกําลังของความโลภความอยากไว้ในระดับหนึ่งทำให้มันไม่สามารถที่จะ สร้างความทุกข์แบบไม่มีขอบไม่มีเกตให้กับเราได้อันนี้เราต้องต้องปฏิบัติกันให้ได้ถ้าเราอยู่ขั้นต้นคือขั้นทานเราต้องมากำหนดเลยมาพิจารณาเลยได้ว่าเราต้องการเงินทองสักเท่าไหร่ถึงจะทำให้เราอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ ต้องรักษ า, อาไอ้เงินระดับเงินทองที่เราจะใช้ไว้คือถ้าเรามีมากเกินกว่าที่เราต้องการเราก็จะเอาไปทำบุญทาทานแล้วระดับเงินทองที่เราจะใช้นี่มันก็มีได้หลายระดับอยู่ที่ว่าเรามีความมากน้อยสันโดษมากน้อยเพียงไรถ้ามีความมากน้อยสันโดษน้อยมันก็ต้องใช้มาก ถ้ามีความมากน้อยสันโดษมากมันก็จะใช้น้อยการใช้น้อยมันก็ดีอย่างก็คือไม่ต้องเหนื่อยกับการหามามากถ้าต้องใช้มากก็ต้องเหนื่อยกับการหามามากแล้วผลที่ได้ก็เท่ากันก็คือพออยู่พอกินไปได้เหมือนกันแต่เหนื่อยมากเหนื่อยน้อยกว่ากันคนที่ใช้มากก็ต้องหามามาก คนที่ใช้น้อยก็หามาน้อยแล้วก็อยู่ได้เหมือนกันมีความสุขความทุกข์ก็พอๆกันในเรื่องของการดูแลอัตภาพร่างกายนี้มันไม่มีความแตกต่างกันเท่าไหร่จะอยู่แบบมาเศรษฐีหรืออยู่แบบขอทานมันก็อยู่ไปได้เหมือนกันกินข้าวของ กินข้าวระดับของหมหาเศรษฐีกับกินข้าวระดับขอทานมันก็อิ่มเหมือนกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปขวนขวายหรือใช้แบบมากจนเกินความจำเป็นไปถ้าคนที่มีความมากน้อยสันโดษก็จะได้ไม่ต้องหาม า, มากหรือว่าถ้าหามาแล้วมันมาม า, มากก็ จะได้เอาไปทําบุญได้มากเอาไปสร้างบารมีได้มากกว่าคนที่ใช้มากคนที่ใช้มากก็จะทําบุญได้น้อยสร้างบุญบารมีได้น้อยแล้วก็จะทําให้ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าขึ้นไปสู่ทำขั้นสูงตามลําดับต่อไปได้ดังนั้นขั้นต้นนี้เราต้อง ใช้ความมากน้อยสันโดษพยายามใช้ให้ใ น, น้อยใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ไม่ต้องใช้แบบของแพงๆของถูกมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเช่นเสื้อผ้าจะชุดละร้อยหรือจะชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าไว้หุ้มห่อร่างกายนี้เท่านั้นเองถ้าใช้หมื่นก็ต้องหาเงินหมื่นมา ถ้าใช้ร้อยก็หาเงินร้อยมาถ้าไม่ต้องหามากก็ไม่เหนื่อยแล้วก็จะได้มีเวลาที่จะได้มาสร้างเครื่องมือลำดับต่อไปได้คือสร้างศีลขึ้นมาไว้ต่อต้านไว้กักขังความโลภความอยากให้มันอยู่ในวงแคบเข้าไปแล้วถ้ารักษาศีลได้ ก็จะสามารถเข้าไปดึงใจให้มันเข้าไปสู่ข้างในได้ง่ายขึ้นถ้ามันยังอยู่นอกรั้วของศีลนี้มันจะจับมันยากกว่าเหมือนกับวัวควายถ้าเราไม่มีคอกขังมันไว้ปล่อยให้มันอยู่นอกคอกเวลาจะจับมันเข้ามานี่มันไปถึงไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าเราจับมันไว้ในคอกเวลาจะจับมันมามัด มันมาเข้ากงมันก็ง่ายเพราะมันคองมันไม่ใหญ่ศินนี้ก็เป็นเหมือนคลอกที่จะคอยดึงใจเอาดึงกิเลสตัณหาไม่ให้ออกไปไกลเกินไปเพื่อที่เราจะได้ดึงเข้ามาสู่ในกงแล้วมาผูกมันไว้กับเสาเพื่อเราจะได้ฆ่ามันได้กิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนวัวควาย เวลาก็จะฆ่าวัวฆ่าควายนี้ตอนต้นเขาต้องจับมาขังไว้ในคอก่อนจับมาขังในข้อแล้วเขาก็เอาเชือกมาผูกมันมาวัดมามัดไว้กับเสาอีกทีแล้วถึงจะเอามีดมาฆ่ามาฟันมันอันนี้ก็เหมือนกันเราต้องสร้างข้อขึ้นมาคอยป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหามันออกไปไกลจนเกินไป แล้วก็ออกไปสร้างเรื่องวุ่นวายให้กับใจของเราคนที่มีศีลนี้ก็ใจก็จะอยู่ในระดับของความสงบที่สูงกว่าคนที่ไม่มีศีลเวลาที่จะจับกิเลสตัณหาเข้ามาอยู่ในกรงหรือว่าจับมันมามัดไว้กับเสามันก็จะง่ายกว่าคือถ้ามีศีลแล้วเวลาเจริญสติมันก็จะง่ายขึ้น จะรันสติได้ก็จะทําให้ใจสงบได้ใจสงบแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับความสงบไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสงบเราก็จะไม่อยากได้อะไรต่อไปแต่กิเลสตัณหามันยังไม่ตาย เวลาที่เราอยู่ในความสงบเราก็มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่อยากได้อะไรแต่พอเราออกจากความสงบมากิเลสมันเริ่มออกมาตามมันก็จะสร้างความรู้สึกใหม่ให้เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกว่ายังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากได้สิ่งนี้อยู่ตอนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจให้เห็นโทษของความอยาก ว่าเวลาเกิดความอยากแล้วมันทำให้ใจทำให้ความสงบความสุขของใจหายไปแล้วสิ่งที่ได้มาก็จะมาเพิ่มความทุกข์ความวุ่นวายใจให้มีมากขึ้นเพราะสิ่งที่ได้มามันก็จะต้องมีการเจริญมีการเสื่อมมีการหมดไปก็จะสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวงสร้างความหวง ให้กับใจทำให้วุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นถ้าเห็นโทษของสิ่งต่างๆเห็นโทษของความอยากเพราะว่าจะมาทำลายความสงบความสุขที่ได้จากการทำสมาธินี้ใจก็จะหยุดอยากได้พอหยุดอยากได้ความสุขความสงบก็กลับคืนมา โดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในสมาธิกลับมาโดยอำนาจของปัญญาที่สอนใจให้ปล่อยวางให้ละความอยากตอละความอยากได้ใจก็กลับมาสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิแล้วก็จะสงบอย่างถาวรเพราะว่าความอยากที่ได้ถูกละด้วยปัญญาแล้วจะไม่มีวันหวนกลับคืนมาอีกเหมือนกับคนที่ ไปแตะไฟเอามือไปแตะไฟก็จะรู้ว่าไฟนี้ร้อนเป็นโทษกับมือก็จะไม่มีวันที่จะกลับไปแตะไฟนั้นอีกต่อไปเพเห็น okay. เห็นความจริงเห็นโทษถ้าเราเห็นโทษของความอยากว่ามันเป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจเราก็จะไม่กลับไปมีความอยากอีกแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ ไม่มีความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากอีกต่อไปอันนี้แหละเป็นการสร้างความสงบสุขที่ถาวรที่หลังจากที่ได้สร้างแล้วก็ไม่มีวันที่จะหมดไปเพราะว่าเหตุที่จะมาทำลายทําให้มันหมดนี้มันไม่มีเสียแล้วก็คือความอยากต่างๆนั่นเองนี่แหละที่เรียกว่าริพานนิพานก็คือปรมังสุขขัง นิพพานก็คือการไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจจะไปหาความทุกข์มาจากที่ไหนไม่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นได้เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆนั่นเองเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บถ้าเชื้อโรคที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บถูกทาลายไปหมดแล้วร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้อย่างไร เมื่อไม่มีเหตุที่จะทำให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใจก็เช่นเดียวกันถ้าใจได้รับการชำระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทำมาแล้วแล้วนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้อื่นเช่นพระสาวกทั้งหลายก็นาเอาไปปฏิบัต แล้ได้รับผลเช่นเดียวกันมาแล้วแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราอีกต่อหนึ่งถ้าพวกเรานำเอาไปปฏิบัติพวกเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเพราะว่าผลนี้ไม่ได้เกิดจากสถานภาพของเราว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชว่าเราเกิดอยู่ในสมัยพระพุทธการหรือไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธการมันอยู่ที่เหตุ คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามตัวอย่างของพระพุทธเจ้าและภาษาวกทั้งหลายได้หรือเปล่าท่านสอนให้เราเสียสละจาคะท่านสอนให้เราทำทานแบ่งปันท่านสอนให้เราละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการหาราบยศสรรเสริญเราทำได้หรือเปล่าท่านสอนให้เรารักษาศีล เริ่มตั้งแต่ศีลห้าขึ้นไปถึงศีล8ถึงศีล227ก็เราทำได้ตามที่ท่านสอนหรือเปล่าท่านสอนให้เราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนดับเราทำได้หรือเปล่าท่านสอนให้เราเข้าสมาธินั่งจิตทำจิตให้สงบเราทำได้หรือเปล่าเวลาจิตออกจากความสงบแล้วเราสอนเราท่านสอนให้ใช้ปัญญาสอนจิตให้เห็นโทษของความอยาก ให้เห็นโทษของสิ่งที่เราไปอยากได้เราทำได้หรือเปล่าถ้าเราทำได้รับรองว่าผลมันก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติตามแล้วก็ได้รับผลเช่นเดียวกันมาแล้วที่เราถือเป็นสาระที่สามของพวกเราก็คือสังฆสารนังนกชามินั่นเองถ่านเหล่านี้ท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อน พอท่านได้ยินได้ฟังคำสอนคำสั่งของพระพุทธเจ้าท่านก็นำเอาไปปฏิบัติพอท่านปฏิบัติแล้วผลก็ปรากฏอย่างที่ได้ปรากฏกับพระพุทธเจ้าดัางนั้นพวกเราจึงไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปประมาทตนเองว่าเราเป็นหญิงหรือเป็นชายว่าเราเป็นคารวะหรือเป็นนักบวชทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ รับผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับมาด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะปฏิบัติตามได้หรือไม่เท่านั้นเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือไม่เท่านั้นเองสุปฏิปันโนได้หรือไม่อุชุปฏิปันโนได้หรือไม่ยายะปฏิปันโนได้หรือไม่สามีจิปฏิปันโนได้หรือไม่เท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่เหตุอย่างอื่นเลย านะสถานภาพของเรารวยหรือจนสูงหรือต่ำเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มคนสาวเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวช อ, อันนี้ไม่เป็นตัวเหตุที่จะมาชี้บอกว่าเราจะได้รับผลตามที่พระเจ้าส่งได้รับหรือไม่เหตุที่จะทำให้เราได้รับผลก็คือการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบทุกประการเท่านั้นเอง คือทำทานให้เต็มร้อยรักษาศีลให้เต็มร้อยเจริญสติให้เต็มร้อยนั่งสมาธิให้ได้เต็มร้อยรับเจริญปัญญาให้ได้เต็มร้อยเท่านั้นเองแล้วผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนผลมันมันจะเกิดเพราะเหตุมันไม่ได้เกิดเพราะเราไปดึงมันออกมาจากจากความว่างที่ตรงไหนหรือไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของเงินก็ขอไม่ได้ย เหมือนผ ล, ลไม้ที่เราอยากได้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้มันไม่มีวันที่จะออกมาหรืถ้าเราไม่มีเงินไปซื้อมันก็ไม่มีวันที่จะซื้อผ ล, ลเอาผ ล, ลไม้นี้มาได้อันใดความสุขที่แท้จริงความสุขที่ประเสริฐนอบนุนี้มันรอเราอยู่แล้วอยู่ภายในใจของเรารอให้เราทาให้มันปรากฏขึ้นมาเท่านั้นเอง ดังนั้นขอให้เราจงทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้อยู่กับการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เถิดแล้วผลมันก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีหรือถ้าช้ากว่านั้นก็ไม่เกินเจดชาติก็ยังดีขอให้เราพยายามทําไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการแสดงก็ เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ อ, อยยะถาวาลวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุปกบปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปันาระโสยตามนิโชติอระโสยตาสพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิธะนิจังวุฒาปจายิโนจตารุธรมมวทานติ อายุวันโสุขามภาลาได้หลายอย่างท่านท่านท่านอย่าเน้นพุโทโธเพราะว่าท่านถนัดสอนแบบนั้นแต่ผู้ปฏิบัติคามจริงนี่มีวิธีทาสมาธิได้ถึงสี่สิบวิธีได้กัน ที่เรียกว่ากรรมาฐานสี่สิทั้นก็ลองทดลองดูถ้าดูลมดูลมนี่มันจะดีตอนที่เรานั่งเฉยๆถ้าเวลาเราไม่ได้นั่งเราทำภารกิจต่างๆท่านก็จะให้ใช้การเฝ้าดูร่างกายเราไม่ว่าเรากำลังทำอะไรก็ให้ใจเราจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันจะไปคิดก็ให้ใช้พุทโทธเด้งเอาไว้ บริกรรมพุโทโธไปควบคู่ไปกับงานที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้ถ้าไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้างานที่เราต้องใช้ความคิดเราก็จดจ่ออยู่กับงานอยู่กับความคิดของงานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแต่เวลานั่งเฉยๆนี้ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกหรือให้บริกรรมพุโทโธพร้อมก็ได้ไม่พร้อมก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะถนัด อันนี้มันแล้วแต่ลจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนถ้าไม่ได้บริกรรมแล้วมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องบริกรรมบางคนไม่คิดเพียงแต่ดูลมเฉยๆมันก็อยู่กับลมเป้าหมายก็คือไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งพอจะหยุดความคิดปรุงแต่งใจก็จะสงบได้ลองไปทำดูเอาใจให้สงบให้ได้ก่อน พอใจสงบแล้วทีนี้ถึงค่อยไปเข้าสู่ขั้นปัญญาทีเพราะถ้าใจไม่สงบนี่จะไม่เห็นความจริงจะไม่เห็นอริยสัจสี่จะไม่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากแต่เวลาใจสงบแล้วเวลาเกิดความอยากนี่ใจมันจะกระเพื่อมใจเหมือนกับจะถูกมีมีเข็มมาทิ่มมาแทงใจทันทีก็จะรู้ว่าความอยากนี่เองที่ทําให้ใจเราทุกข์ไม่ใช่อะไรเลยแต่ถ้าไม่มีความสงบจะมองไม่เห็นนั่นเอง ใ น, นเบื้องต้นพยายามเจริญสติให้มากเพื่อที่จะได้เวลานั่งสมาธิใจจะได้สงบพอสงบแล้วทีนี้เราก็ไปทางปัญญาต่อไปได้คอยดูใจที่เขาให้ดูจิตดูใจเขาให้ดูตรงนี้ดูว่าความอย่างนี้ทำให้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์กันแน่ ต่อไปนี้จะถามปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับคำถามแรกจากคุณยูแคลุ์นะครับคำถามที่หนึ่งจิตติดสมาธิติดความสงบติดความสุขจากภาวนาดูลมกับพุทโธติดความสงบความสุขจากการภาวนาอันไหนอันนี้ดีไหม ถ้าติดมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าต่อไปมันก็จะได้แค่ขั้นสมาธิการติดสมาธิถ้าถามว่าดีไหมก็ดีกว่าติดสุราติดยาเสพติดติดหนังติดละครแต่ว่ามันมันจะทําให้ไม่สามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาก้าวขึ้นสู่มรรคผลนิพพานได้มันก็จะติดอยู่ขั้นระดับ พรมโลกท่านั้นเองคือสมาธินี้ถ้าอยากจะก้าวเข้าสู่การโลกุตตรธรรมขั้นมรรคผลนิพพานก็จำเป็นจะต้องเจริญปัญญาก็คือเวลาออกจากสมาธิมาก็คอยสอดส่องดูแลจิตว่าเกิดความอยากหรือไม่เวลาเกิดความอยากก็ให้พิจารณาว่า มันทำให้จิตสงบด้วย ط, ที่ทำให้จิตฟุ้งทำให้จิตทุกข์หรือทำให้จิตสุขถ้าคอยสังเกตคอยพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นโทษก็จะละความอยากได้หรือให้พิจารณาสิ่งที่อยากได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันนะ่มันเป็นสุขที่ถาวรหรือเป็นความสุขที่ชั่วคราวเวลาได้อะไรมาก็ดีออกดีใจ แต่มันไม่อยู่กับเราไปตลอดเวลามันจากเราไปมันทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์นี่คือการเจริญปัญญามองทั้งสองส่วนส่วนภายในใจก็คือดูว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจสงบหรือใจไม่สงบสองสิ่งที่อยากได้เวลาได้มาแล้วทำให้เราสุขหรือทำให้เราทุกข์กันแนะ่ถ้าพิจารณานี้มันก็จะ ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาถ้ายังไม่มีความอยากแต่เราจะต้องเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาในภายภาคหน้าเราก็ต้องอทําการบ้านไปก่อนเช่นเรามีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้แต่เวลานี้มันไม่เกิดเพราะว่าเรายังไม่แกย่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเราก็ต้อง ศึกษาคอยสอนใจให้เตรียมรับกับเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาให้ได้สอนใจให้หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้ด้วยการให้เห็นความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งความจริงอันนี้ได้ถ้าไม่อยากจะทุกกับความแก่กับความเจ็บกับความตาย ก็ต้องละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายให้ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญปัญญาในรูปแบบของการทำการบ้านส่วนการเจริญปัญญาในรูปแบบของเวลาเข้าห้องสอบนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเช่นเวลาเราเกิดการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปแล้วเราเกิดความอยากให้เขากลับมาหรืออยากให้เขาอยู่กับเรา เราก็จะเกิดความทุกข์ใจเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษของความอยากว่ามันกำลังทำให้เราทุกข์ใจและเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราสูญเสียกลับไปกลับมาคืนมาอยู่ดีถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะทำให้เรารังงับความทุกข์ใจได้รังงับความอยากที่จะให้สิ่งที่เราสูญเสียไปนั้นกลับมาหาเรา อันนี้ก็เป็นการเข้าห้องสอบคือเวลาใดที่เรามีความทุกข์ใจกับเรื่องใดก็ตามถ้าเรามีปัญญาเราจะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นความอยากนี้ที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้เราทุกข์เช่นบ้านเมืองตอนนี้วุ่นวายถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่วุ่นวายเราก็จะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราอยากไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวาย แต่เรามองไม่มองความจริงว่าเราไปสั่งให้บ้านบ้านเมืองไม่วุ่นวายได้หรือเปล่าเราห้ามไม่ให้บ้านเมืองเขาวุ่นวายได้หรือเปล่าเมื่อเราห้ามไม่ได้เราไปอยากก็ป่วยการไปเปล่าๆไร้บอยไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดผลมีแต่จะทำให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆนี่ถ้าเรามีปัญญามีสมาธิเราจะเห็นความทุกข์ใจของเรา ที่เกิดจากความอยากของเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราก็จะทุกข์ใจแล้วเราก็พยายามที่จะไปแก้ภายนอกคือพยายามไปทำให้บ้านเมืองสงบไม่ให้วุ่นวายแต่มันก็จะไม่ได้แก้จุดปัญหาที่แท้จริงจุดปัญหาที่แท้จริงก็คือความอยากไม่ให้บ้านเมืองวุ่นวายนั่นเอง ถ้าเราไม่มีความอยากเรายอมรับความจริงว่าตอนนี้วุ่นวายก็ต้องปล่อยเขาวุ่นวายไปเดี๋ยวเขาก็สงบของเขาเองถึงเวลาเขาจะสงบเขาก็สงบขงเขาเองเพราะว่ามีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสือ่อมมีเกิดมีดับทั้งในส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีถ้าใจเราไม่เข้าใจหลักในี้ใจของเราก็จะวุ่นวายไปตลอดจะทุกข์ไปตลอดอเราต้องมา แก้ปัญหาอันแรกอันปัญหาที่สำคัญก่อนก็คือความทุกข์ใจของเราเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าเกิดจากความอยากของเราส่วนเรื่องของการทำให้บ้านเมืองสงบหรือไม่สงบให้ดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนั้นถ้าเราทำได้พอทำได้ก็ไปทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องก็ต้องไม่ท ำ, พทำเพราะทำแล้วไม่เกิด ไ, ไม่เกิดผลไปทำไปก็เหนื่อยไปเปล่าหรือทำแล้วแทนที่จะให้มันสงบมันกับวุ่นมากขึ้นวุ่นวายมากขึ้นอย่างนี้ก็อย่าไปทำดีกว่านี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาถ้าอยากที่จะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปอย่างถาวรความความทุกข์จะดับชั่วคราวเวลาที่จิตอยู่ในสมาธิเท่านั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว พอจิตเริ่มคิดปรุงแต่งก็จะคิดปรุงแต่งไปในทางความอยากพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความทุกข์นี้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจและสิ่งที่อยากได้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ใจมีความสุขได้แต่กลับจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ จะหยุดความอยากได้ดับความทุกข์ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยปัญญาสมาธิไม่สามารถที่จะทำได้สมาธิเป็นเพียงผู้สนับสนุนทำให้เกิดปัญญาให้เห็นปัญญาให้เห็นความจริงขึ้นมาข้อที่สองนะครับถ้าเราจเจริญสติบ่อยๆคือ ภาวนาดูลมกับพุโทโธเป็นเพียงแค่ชั้นสมาธิเท่านั้นที่ไม่สามารถก้าวเดินต่อไปในชั้นวิปัสนาในชั้นปัญญาได้เลยใช่ไหมก็อยู่ที่การอยู่ลาดับขั้นตอนของการปฏิบัติของเราถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราก็ต้องพุ่งไปการสร้างสมาธิให้ได้ก่อนคือเราต้องจเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็นั่งหลับตา ทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนพอ ไ, ได้สมาธิแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิเราไม่ต้องเจริญสติแล้วทีนี้เรามาเจริญปัญญาแทนแทนที่จะบริกรรมพุทโธพุทโธหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็มาพิจารณาตายลักกันพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เกิดขึ้นเช่นร่างกายของเราได้ อนาคตของร่างกายของเราจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายหรือเราจะต้องพัดพากจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พิจารณาสอนใจให้ปล่อยวางถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้เขาไม่ไม่พัดพากจากเราเพราะเขาต้องพัดพากจากเราอย่างแน่นอนเราต้องทำใจให้ได้สอนใจให้ปล่อยให้ได้ถ้าถ้าใจเข้าใจ เห็นโทษของความอยากเห็นโทษของความยุดติดก็จะปล่อยเองเหมือนกับเราไปแตะของร้อนพอมันแตะแล้วมันก็จะรู้เองว่าอ๋อเราเอามือไปแตะเขาเองถ้าเราไม่ไปแตะเขาเราก็จะไม่เจ็บไฟมันร้อนถ้าเราไม่ไปเอามือไปแตะไฟมันไม่เจ็บเราฉนันใดของต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันก็เป็นของเหมือนไฟ ถ้าเราไปแตะมันเมื่อไหร่มันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาทันทีคือถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากไม่ให้เขาพัดพลาดจากเราพอเราเกิดความอยากนี้ก็เหมือนกับเอามือไปแตะไฟดีๆนั่นเองแต่เราจะไม่เห็นถ้าเราไม่มีสมาธิแต่เวลามีสมาธินี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลามีความอยากกับไม่มีความอยาก ดังนั้นในเบื้องต้นต้องฝึกเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิให้ได้ก่อนถึงจะสามารถเจริญปัญญาได้เพราะถ้าไม่มีสมาธิจะมองไม่เห็นความอยากว่าเป็นตัวที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจข้อที่สามคำว่าจเจริญสติแปลว่าจเจริญสมาธิใช่ไหมและสมาธิแบบนอนตาย กับการเจริญสติสมาธิแบบสัมมาสมาธิแบบสัมมาสติแบบไม่ไม่นอนตายต้องเจริญและทําแบบไหนครับทําไมน อ, านอนตายเป็นยังไงยังไม่รู้เลย <c oughs> นอนตายเหมือนนอนหลับนะั่งถ้านอนหลับมันก็ไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเวลเานอนหลับนี่พอเราหลับปั๊บเราไม่รู้สึกตัวแล้ เราจะมารู้สึกตัวอีกทีมีสติครั้งก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิแบบนอนตายคือไม่มีสติคำว่าสตินี้เป็นเหตุส่วนสมาธินี่เป็นผลเข้าใจไหมเวลาจะให้จิตสงบจะต้องมีสติสติเป็นเหมือนผู้ที่จะดึงใจให้เข้าไปสู่ห้องนอนอย่างเงี้ยถ้าไม่มีสติดึงใจเข้าไปใจก็จะออกไปเล่นเหมือนเด็กอย่างเงี้ย ถ้าเราอยากจะให้เด็กนอนเราก็ต้องดึงเด็กเข้าไปเข้าไปในห้องนอนให้ไปนอนบนเตียงแล้วเขาก็จะได้นอนหลับถ้าเราไม่เรียกเด็กเข้ามาไม่ดึงเด็กเข้ามาเด็กก็จะไปเล่นอยู่ข้างนอกเด็กก็จะไม่ได้นอนใจก็เหมือนเด็กเนี่ถ้าเราอยากจะให้ใจพักผ่อนหลับนอนมีความสงบเราก็ต้องมีสติดึงใจเข้าไปในห้องนอน การเจริญสติก็เป็นการดึงใจเข้าไปแต่การจะดึงใจให้ใหสงบเต็มที่นี้ใจจะนั่งกายจะนั่ ง, งเฉยๆถ้าเราทํานู่นทํานี่นี้ใจยังทํางานอยู่ใจจะไม่สงบอย่างเต็มที่จะสงบในระดับหนึ่งแต่ไ ม, ไม่เต็มร้อยถ้าเราอยากจะให้ใจเป็นสมาธินิ่งสงบเต็มร้อยเราต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาปิดทวารทั้งห้าเสีย แล้วก็ดึงใจให้เข้าสู่ข้างในด้วยการเจริญสติการที่เราต้องเจริญสติก่อนที่เรามานั่งก็เพราะว่าถ้าเราไม่มีสติเวลาเรามานั่งเราจะไม่สามารถที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิได้เราจึงต้องเจริญสติไว้ก่อน <Ooh. S 1> เตรียมเครื่องมือไว้ก่อนพอเรามีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเวลาเราจะจับสติให้เข้าสู่สมาธิเราก็ดึงเข้าไปได้เลยนี่คือเหตุผลที่ว่าเวลาที่ เรายังไม่ได้นั่งสมาธิเราต้องเจริญสติก่อนเราต้องเจริญสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเวลาที่เราจะไปนั่งสมาธิเลยถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะจิตไม่ไปไหนมาไหนจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเรื่องเดียวพอเวลานั่งสมาธิให้อยู่กับนมมันก็จะอยู่กับนมอย่างเดียวให้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียวพอมันอยู่เรื่องเดียวมันก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้ นี่คือความแตกต่างระหว่างสติกับสมาธิสติเป็นต้นสมาธิเป็นปลายสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลถ้าไม่มีสติก็ไม่มีวันที่จะมีสมาธิได้คำถามข้อที่สี่นะครับมีรุ่นน้องตอนนี้ไม่ไปเรียนมหาลัยแล้วหนีไปอยู่วัดอยากบวชพระแต่พ่อแม่ไม่อนุญาตให้บวชพระวินัยห้ามบวช จะกแก้ไขปัญหาให้ได้บวชพระอย่างไรดีครับก็เกิดเล่านิทานเรื่องของคนที่อยากจะบวชในสมัยพุทธกาลมาแล้วว่าพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีลูกคนเดียวก็อยากจะให้ลูกรับมรดกปกทอดแต่ลูกก็อยากจะบวชขออนุญาตก็แม่อนุญาตให้บวชก็เลยประท้วงด้วยการอดอาหารไม่รับประทานอาหาร ไม่รับประทานาหารไปหลายวันข้าพ่อแม่ก็ยอมแพ้ก็อนุญาตให้บวชอันนี้ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งคำถามข้อต่อไปจากคุณสืบสารปณิธานทระป่าหลวงตามหาบัวนะครับคำมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งคนที่ฝึกปฏิบัติภาวนาในท่ามกลางคนหมู่มากโลกภายนอกมักจะถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นธรรมดาใช่ไหมครับสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือเราไม่ใช่เขาอาการในใจของเราแก้ตรงนี้เหตุอยู่ในนี้ใช่ไหมครับคือมันคำถามมันรู้สึกว่ามันสับสนนะใช่ครับ <laughs> คนที่ฝึกปฏิบัติภาวนาในท่ามกลางคนหมู่มากโลกภายนอกมักจะถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นธรรมดาใช่ไหมครับหยุดกันตรงนี้ก่อนครับคงหมายว่าคนที่ปฏิบัติธรรมนี้ในสายตาของคนภายนอกจะเห็นว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวใช่ไหมใช่ครัก็เป็นเรื่องของปกติของคนที่เขาจะมักจะมองมองโทษของคนอื่น โดยที่ไม่ไม่เข้าใจถึงความจริงว่ามันเป็นโทษแล้วไม่เป็นโทษเวลาคนไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวนี่เราไม่ไปว่าเขาเห็นแก่ตัวใช่ไหมแต่เวลาเขาไม่สบายใจเขาไปปฏิบัติธรรมก็ไปว่าเขาเห็นแก่ตัวออันนี้ก็เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจท่านั้นเองการปฏิบัติก็เพื่อที่จะรักษาใจให้หายจากโลก คือความทุกข์ใจการไปนอนโรงพยาบาลเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยก็เพื่อไปรักษาร่างกายให้หายจากการเจ็บไายได้ป่วยก็เป็นการกระทาที่ไม่น่าจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวคือถ้าเห็นแก่ตัวก็ก็จำเป็นเพราะว่าไม่มีถ้ามันเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วใครจะมารักษาให้กับเราการเห็นแก่ตัวแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียหาย ก็ไม่ได้ไปทําความเดือดร้อนให้กับไข่อันนี้ข้อที่หนึ่งตอนต้นเนานะยังไงคําถามต่อมาสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือเราไม่ใช่เขาอาการในใจของเราแก้ตรงนี้เหตุอยู่ในนี้ใช่ไหมก็คือเราอย่าไปกังวลกับคําพูดของคนอื่นก็ใช่ไหมอ่าก็ถ้าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องมันก็ไม่น่าจะต้องไปกังวล ถ้าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาเรามาดูแลรักษาตัวเราอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายตรงไหนเขาอาจจะเสียผลประโยชน์จากเราก็าถึงทำให้เขาว่าเราก็ได้เช่นเราเคยทำเวลาให้กับเขาอย่างนี้แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับเขาเขาก็จะว่าเราเห็นแก่ตัวก็ได้ แต่เขาก็ไม่มองที่ตัวเขาเองว่าแล้วเขาไม่เห็นกับตัวเลยถ้าเขาต้องการประโยชน์จากเราแล้วเราไม่ทำประโยชน์ให้กับเขาเรามาทำประโยชน์ให้กับเราเขาก็เลยว่าเราเห็นกับตัวอันนี้เราก็อย่าไปาวิตกมากจนเกินไปความพูดของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นถ้ามันไม่มีเหตุมีผลเราก็ไม่ต้องไปกังวล คำถามข้อต่อไปจากคุณสันชัยนะครับขณะกำลังอ่านเรื่องธรรมะอยู่ก็เผลอไปปรุงเรื่องพระอาจารย์ก่อนหน้านั้นอ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคำถามคำตอบแล้วโดยไม่คาดคิดจิตก็ไปคิดอกุศลปลามาตรล่วงเกินพระอาจารย์เข้าอย่างไรแรงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปกราบขอโอโหสิกรรมด้วยตัวเองหรือเปล่ายมขอโอกาสกราบโอโหสิกรรม ตอนนี้ก่อนนะคะและขอความเมตตาถามเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโยมทุกทรมานมากกับเรื่องนี้เวลาโยมเห็นได้ยินเสียงหรือจิตไปนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหรือท่านที่หลายๆคนบอกว่าเป็นพระอริยะเจ้าโยมจะคิดไม่ดีปาาดร่วงเกินตลอดบางทีเห็นหาง บางทีเห็นตรงกลางก็ยังห้ามไม่ได้จิตมันยังทำต่อแล้วยวนก็เกียดตัวเองไม่ชอบที่มันเป็นแบบนี้กลัวบาปกลัวว่าจะปิดกั้นไม่ให้เข้าใจในพระธรรมรู้ตัวจะรีบขอขมาแต่ก็ยังเป็นแบบนี้ตลอดขอพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้ทางให้ด้วยก็ต้องภาวนานะฝึกฝึกเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้ แล้วต่อไปเราก็จะได้ยับยั้งความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้เวลาใจจะคิดไปในทางไม่ดีถ้าเราบริกรรมพุทโธได้เราก็บริกรรมพุทโธไปแล้วเดี๋ยวความคิดไม่ดีนั้นมันก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นให้เราฝึกเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้พอเราควบคุมการคิดได้แล้วขั้นที่สองก็สอนให้คิดไปในทางที่ดีได้ให้คิดว่าความดีความเชื่อ ของคนอื่นมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาดีเราก็ไม่เขาก็ไม่ได้ทำให้เราดีตามไปเขาชั่วก็ไม่ได้ทำให้เราชั่วตามไปการที่เราจะไปวิพากษ์วิจารณ์ไปวุ่นวายไปกับความดีความชั่วของเขาก็เป็นความโง่ของเราเป็นการสร้างความวุ่นวายใจ่ายให้กับเราโดยปล่าประโยชน์แล้วก็ต้องมาขอขอม า, ท, า, ท, าทั้งๆั้งที่คนที่เราไปปรามาเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเรื่องมันอยู่ในใจเรา มันเกิดขึ้นภายในใจถ้าเรายังไม่ได้แสดงออกไปทางกายทางวาจานี้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปขอขมาลาโทษจากใครเราก็เพียงแต่หยุดความคิดนี้เสียแล้วก็เตือนตัวเองว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีคิดไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจไปเปล่าๆอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ด้วยปัญญา แต่ขั้นต้นก่อนที่จะคิดไปในทางปัญญาได้เราก็ต้องควบคุมความคิดจุดความคิดไม่ดีให้ได้ก่อนเราต้องหัดเจ ร, ริญบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอยู่เรื่อยๆพอเราบริกรรมพุโทโธเปนะ็นแลเวลาใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็มาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่นานไอความคิดไม่ดีนั้นก็หายไปไม่ต้องไปขอขมาลาโทษกับใครงื้นวันหนึ่งคิดไม่ดีสิบครั้งก็ต้องไปตาม ขอขมาลาโทษกับคนนู้นคนนี้วุ่นวายไปหมดอันนี้เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสังขารความคิดปรุงแต่งไว้นะการไปคิดขอขมาลาโทษมันก็เป็นความคิดปรุงแต่งอีกะการไปว่าเขาก็เป็นความคิดปรุงแต่งอีก็ไปบ้าอยู่กับเรื่องว่าเขาแล้วก็ไปขอขามาเขาอยู่นั่นแหละทําไมไม่พุโทโธรพุโทโธรไปสัอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็จบเองนะคําถามข้อต่อไปจะคุณ มัมจีได้นะครับจะทําอย่างไรดีอยากจะซื้อบ้านใหม่อยากได้บ้านหลังนั้นมากๆครับแต่รู้ว่าปีนี้ยังไม่อาจซื้อได้ต้องรอผ่อนรถหมดก่อนก็น่าจะประมาณปลายปีแต่ใจกลับมีความอยากที่จะได้บ้านนั้นมากๆ hmm. ทั้งที่รู้ว่าต้องรอปีหน้าก่อนรอภาร ะ, ะเรื่องรถหมดไปก่อนแต่ใจมันไม่ยอมลงเจ้าค่ะคิดสารพัดวิธี หาเหตุผลทุกอย่างแต่ใจมันก็กลับอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นนั่งสมาธิก็ไม่สงบเดี๋ยวนึกถึงความอยากได้อีกเลิกนั่งนอนภาวนาพุทโธให้หลับมันก็หลับลงบ้างแต่พอรู้สึกตัวก็กระวนกระวายอยากเป็นเจ้าของมันอีก <c oughs> แต่พอมันเต็มที่แล้วอาการอยากก็ทุเลาลงเองแต่พอสับ พ, พักก็กลับกำเริบ <c oughs> เป็นใหม่ ลูกก็พยายามมองให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แต่ก็เอาไม่อยู่เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเวลาดับไปก็โล่งใจเวลากำเริมขึ้นมาใหม่จิตใจอึดอัดดีบคั้นมากพระอาจารย์พอจะมีวิธีเสนอแนะให้ลูกได้เกิดปัญญาขึ้นบ้างไหมทําอย่างไรเราถึงจะไม่ตามรู้อารมณ์อยากนั้นเจ้าคะก็ต้องมาบริกรรมพุทโธนี่แหละพุทโธนี่หยุดมันได้ ตอนนี้เราหยุดความคิดความอยากเราไม่ได้มันเหมือนรถวิ่งลงเขาพราะไม่มีเบรกเราต้องสร้างเบรกขึ้นมาเบรกที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งของเราก็คือการบริกรรมพุทโธนี่เองขอให้เรามาพยาบริกรรมพุทโธไปทั้งวันให้มันติดเป็นนิสัยขึ้นมาและเวลามันคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่อยากได้ก็ใช้บริกรรมพุทโธไปก่อนหยุดหยุดมันก่อนหยุดความคิดอยากได้ไปก่อน ว่าหยุดมันได้แล้วจิตเป็นสมาธิแล้วทีนี้ก็จะเห็นโทษของความอยากเองแล้วมันก็จะเลิกความอยากได้ต่อไปทุกอย่างก็ปัญหาของใจนี่มันอยู่ที่การไม่มีสติเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุพอไม่มีสติแล้วมันก็คิดไปร้อยแปดพันประการคิดไปแล้วก็พอไม่มีปัญญาก็วุ่นวายไปกับมันวุ่นวายไปกับความคิดของตนเองสร้างความคิดขึ้นมาแล้วก็ไปวุ่นวายกับความคิดของตนเอง เห็นเบื้องต้นนี่ให้หยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดความคิดได้แล้วขั้นต่อไปก็จะชี้ให้เห็นความเห็นโทยของความอยากได้ว่าเวลาเกิดความอยากแล้วใจมันกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสราาับกระส่ายแล้วถ้าใช้ปัญญาสอนให้เห็นว่าบ้านมันก็เป็นตายรักมันไม่ได้เป็นของที่จะวิเศษวิโสอะไรหรอกไม่มีมันเราก็อยู่ได้ ถ้าใจสงบแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอยู่ใต้ใต้สะพานก็ได้อยู่ตามโคนไม้ก็ได้อยู่ตามเงื่อมผาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ถูกก็ต้องกลับมาจเจริญสติกันอ่านประไลกามพุโทโธพุโทโธวนไปอ่านทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากที่ทำให้ใจนี้กระสับกระสายกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็ต้องมาภาวนานี้เองมาปฏิบัติธรรมกันคำถามข้อต่อไปจากคุณอ้อนภูเก็ตนะครับหลังจากลูกได้ฟังเทศพระอาจารย์ให้ความความเจ็บความตายลูกได้ลองมาปฏิบัติเวทนาตอนปวดขาหลังจากปั่นจักรยานเพราะปวดมากพิจารณาเห็นความเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วมาคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรายิ่งยึด เจ็บปล่อยไม่ได้จึงมาภาวนาพุทธทางสระนังไปเรื่อยๆจนลูกคิดว่าเราปล่อยเจ็บไม่ได้ก็มาตีกันมาปลอบโยนขาตัวเองที่ต้องมาเจ็บเพราะเราพาไปปั่นมากไปสักคู่อาการปวดหายไปหมดคิดว่าหายปวดแล้วกลับมาดูขาอาการปวดยังอยู่เหมือนเดิมแต่ใจไม่ปวดทําให้ทั้งวันรู้สึกสบาย แต่ดูยังมีปวดตลอดลูกเลยอยากถามว่าแบบนี้ภาวนาถูกไหมเพราะวันนี้สบายจนแปลกใจตัวเองถ้ามันสบายใจก็ถูกอ่ะแสดงว่าตอนนั้นความอยากให้ความเจ็บมันหายไปมันไม่ได้ออกมาแสดงตัวคือเรายอมอยู่กับความเจ็บได้ความสบายใจมันก็เกิดขึ้นความไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นตอนที่เราอยากให้ความเจ็บมันหายไปแล้วมันไม่หายไป งั้นก็ทำถูกแล้วที่จะทำจะวาถูกแบบถาวรหรือไม่นี้ก็คิดว่าคงจะต้องพิสูจน์ดูต่อไปถ้าเราหยุดมันด้วยการบริกรรมหยุดด้วยการใช้สติไม่ไปคิดถึงเหมือนไม่มันก็จะหยุดเป็นชั่วคราวแต่ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าเห็นว่าความเจ็บของร่างกายเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เราไป ควบคุมบังคับมันไม่ได้จะให้มันเวลามันเกิดจะให้มันดับก็ไม่ได้เวลามันยังไม่เกิดจะทําให้มันเกิดก็ไม่ได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็จะดับไปได้อย่างถาวรต่อไปเวลาร่างกายเจ็บมันก็จะไม่เดือดร้อนดงั้นก็เราดูข่าวต่อไปเวลาเจ็บแล้วใจ ย, ยังเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าถ้าเดือดร้อนอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ถาวรยังไม่ใช่เป็นปัญญา คำถามข้อสุดท้ายนะครับจากคุณบีดูนะครับการที่พระพิสุท่านได้อ้างว่าท่านละลึกชาติได้แล้วบอกว่าพี่ชายของท่านเป็นลือสีก็เลยนับถือลือสีแล้วก็พอเวลาจะบินทบาทหรือเวลาเดินก็จะให้ลือสีเดินนาหน้าอันนี้สมควรไหมครับ ถ้เาเราเลือกชาติได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียรเรามาก่อนนี้เราก็ไปเอาเข้ามาเป็นเมียรเราได้เปล่ามันกนละเรื่องกันคนชาติกันชาติก่อนก็เรื่องของชาติก่อนชาตินี้เป็นเรื่องของชาตินี้เราอย่ามาสับสนกันนะแล้วนางศาสนาท่านสอนให้รู้ตนรู้บุคคลรู้ตนก็คือว่าตอนนี้เราเป็นใครบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขาเป็นใครตอนนี้เขาไม่ได้เป็นพี่ชายเราแล้ว ตอนนี้เขาเป็นใครเราก็ไม่รู้แต่ชาติก่อนอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ตามแต่ชาตินี้มันไม่ได้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติต่อสมมุติในปัจจุบันเราก็ต้องใช้ข้อมูลของปัจจุบันมาปฏิบัติกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสับสนไปหมดเดี๋ยวคนนั้นก็อ้างว่าเป็นพระเจ้าตากสินกลัมมาเกิดกำบังคับให้พวกเราเจอท่านก็ต้องกราบไหว้ท่า น, นีิ แล้วใครจะไปภิสู่ได้ว่าเป็นจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าฉะนั้นอย่าไปเอาเรื่องของอดีตต่างๆมาเกี่ยวข้องกับปัจจุบันเราต้องใช้ข้อมูลปัจจุบันแล้วปฏิบัติให้มันถูกกับกาลเทศะถูกกับกฎระเบียบของสังคมจะได้ไม่มีปัญหาตามมาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามกาลเทศะของสังคมเราก็จะกลายเป็นคนเพี้ยนไป เล้วาคนบ้าคนไม่มีสติไม่มีปัญญาและการที่เป็นพระภิกษุแล้วไปนับถือรือศรีครับอาจารย์คือถ้าเป็นการนับถือส่วนตัวก็เป็นเรื่องของท่านแต่ถ้าการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็ต้องทาไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือแต่ถ้าเป็นภิกษุแล้วความจริงนี้ควมว่าเป็นพระภิกษุก็คือเป็นผู้ที่ยึดพระรัตนนาตายเป็นอ่เป็น เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่เคารพนับถือจะไม่รับนับถือผู้อื่นมีมีบทสวดอยู่บทหนึ่งที่เราสวดกันคือนัตติเมสารนังอันยังบุตโตเมธรมโมเมสังโฆเมสารนังวะรังเราจะไม่มีที่พึ่งอันอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นดังนั้นใครจะเป็นอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของเขา แต่การที่เราจะมีปฏิสันพานต่อบุคคลต่างๆเราก็ทําได้แต่ก็ต้องทําให้มันถูกกับกาลเทศะทําให้ถูกกับตามหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเองถ้าหลักธรรมหลักวินัยห้ามไม่ให้พระภิกษุไป ก, ากราบกาลว่าด้วยกราบผู้ที่บวชในรัฐที่อื่นเราก็ต้องไม่กราบเท่านั้นเองแต่เราจะแสดงสันทวมัยตรีได้อาจจะมีการยิ้มรับตอบ ต้อนรับขับสู้กันไปตามความเหมาะสมได้อยู่งแต่ว่าเราต้องรู้จักกฎรู้จักระเบียบ ร, รู้จักธรรมเนียมประเพณีรู้จักธรรมรู้จักวินยัยโดยเฉพาะถ้าเรามาเป็นพระภิกษุพระภิกษุนี่ก็มีกฎมีระเบียบไว้ควบคุมความประพฤติของพระภิกษุเหมือนกับข้าราชการทหารตำรวจเขาก็มีกฎมีระเบียบที่เขาจะต้องปฏิบัติตาม หรือว่าเป็นนักศึกษาเขาก็มีกฎมีระเบียบของนักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆยั้นผู้ที่อยู่ในสังคมใดก็ต้องศึกษากฎระเบียบของสังคมนั้นแล้วก็ต้องเคารบปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามก็จะกลายเป็นผู้ที่ลังเกีลตหน้าลังเกีลตไปอาจจะถูกขับออกจากสังคมนั้นได้ถ้าประพฤติผิดกฎระเบียบของสังคมนั้น ยิ่งถ้าเราไม่อยากจะให้มีปัญหากับเราเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องปฏิบัติตัวเราอย่างไรกับบุคคลต่างๆอย่างไรเข้าใจัหมโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลาย ได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปบำเพ็ญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแกอ้มน กครับ